เรื่องภิกษุเป็นไข้559สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเป็นไข่ยอยู่กรุงโกสัมพีพวกญาติส่งโทษไปสํานักของภิกษุนั้นให้แจ้งข่าวว่านิมนต์พระคุณท่านมาเถิดพวกเราจะอุปถาภิกษุทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าไปเถิดท่านพวกญาติจะอุปถาท่านเองภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติศิกขาบทไว้ว่า ภิกษุใช้ทําทำสันทัดใหม่แล้วพึงใช้สอยให้ได้หปีกระผมก็เป็นไข่ยอยู่ไม่สามารถนำสันถัดไปได้ถ้าขาดสันถัดเสียแล้วกระผมจะไม่ผาสุขกระผมจะไม่ไปภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ